เป็นยังไงบ้างทิมข้าว <c oughs> มีความรู้สึกตัวหรือว่าดื่มตัวหน้าตัวกลั้นตัว <c oughs> <c oughs> อันนี้ขนาดแบบเพิ่งปฏิบัติตอนเช้าน ะ, <c oughs> <c oughs> ะนั้นแบบโอกาสที่มันจะดื่มตัวมันก็บ่อยมากเลยนะยิ่ง <c oughs> ถ้าเรา ไม่ปฏิบัติสม่ำเสมอมันก็เนะี่ยแปบ๊บหนึ่งขณะตอนเช้าเราปฏิบัติตอนกลางวันเราก็คื้อนะตอนเย็นตอนตอนบ่ายปฏิบัติกลับไปก็อาจจะดื้ออีกวะนะนะแต่ก็มันผ่านไปแล้วก็ช่างมาันเนาะอผ่านไปแล้วก็ช่างมันอะไรที่มันผ่านแเรวก็แก้ไม่ได้เราเราแก้ ตั้งใหม่ได้นะเริ่มใหม่ได้ในตอนนี้นะถ้าผู้ที่มีสติคนหนึ่งก็อดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วก็ยอมรับความจริงนะแล้วก็อะวางไปตั้งต้นใหม่นะบางทีเคยพูดผิดบางทีเคยทําผิดบางทีก็เคยคิดผิดนะแต่เราก็รู้สึกตัวแล้วก็กลับมากลับมาทําที่ปัจจุบันแทน อันนี้คือผ่านไปแล้วนะแต่อย่าเป็นแบบหอย่าเป็นแบบผ่านแบบเป็นข้อแก้ตัวไปแล้วก็ต่อไปก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะที่จะทําใหม่นะบางทีมันก็จะเหมือนอืมันจะกลายเป็นความเคยชิ น, ค ว, ค, ชนความเคยชินที่จะลือความเคยชินทะี่จะหลงนะหรือว่าความเคยชินที่เราจะเรียว่าผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยเรนะื่อะอันนี้ บางทีคนที่จะปฏิบัติทำนะจริงๆนะมีไม่ไ ม, ม่เยอะเท่าไหรในดะเคยปฏิบัติอาจจะมีเยอะแต่คนที่เอาไปปฏิบัติทุกวันจริงๆสม่ำเสมอเนะี่ยอันนี้มันมันน้อยคือตอง น, นี้แหละที่จริงการปฏิบัติไม่ได้ยากนะเนีย่ยที่พูดเป็นที่สอนเมื่อเช้านะที่จริงเพียงพอ พอถ้าเราจะปรลับได้แค่นั้นก็พอละเพียงแต่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะอาจจะเกิดอาจจะเกิดความสงสัยบ้างหรืออาจจะเจอสภาวะอารมณ์อย่างอื่นบ้างนะแต่ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวได้ก็อพอนะี่ย่างมีมีลูกสิษย์ลงพ่อความเขียนนะเนะี่ยเป็ น, ท, นท่านเป็นคนพิการ ยจารักรนกมปนะสมัยก่อนะตั้งแต่ปีสามตัวกว่านะพอต่อสามสิบตัวกว่าโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยสะดวกนะท่านอยู่ที่นครสวรรค์เขียนจดหมายห้หลวงพ่อเขียนที่จังหวัดเชียงูก็เขียนถางอนะผมเป็นคนพิการอยากจะปฏิบัติธรรมนะต้องทำอย่างไรบ้างนะหลวงพ่อก็เขียน แค่ตอบด้านซนะัเป็นคนพลิการก็ปฏิบัติทําได้ถ้ายังหายใจอยู่นปฏิบัติทําได้นหายใจเข้าไหายใออกรู้สึกตัวก็ได้หรือถ้าเคลื่อนไหวได้ก็พลิกมือง้ายพลิกมืออ้อมแต่ให้รู้นะอย่าไปอยู่ผมก็สอนแค่นี้นะอาจารย์บางคนก็เป็นปฏิบัติ คือที่จริงหลักปฏิบัติไม่ยากก็คือว่าถ้าเรามีการเคลื่อนไหวอะไรได้นะพลิกเนึ้อง้ายพลิกเนื้อความทำแค่นี้ก็ได้แต่ปิ๊กสำคัญคือให้ให้เรารู้รู้ตัวไม่ใช่ไปอยู่กับมือนะรู้ลมหายใจก็เหมือนกันอย่าไปไม่ใช่ไปอยู่กับลมหายใจที่จริงทําแค่นี้แหละไม่ได้ทํามากตวน่นี้แต่พอปฏิบัติไปก็จะ ไปค่อ ย, เ ข, อยเข้าใจไปค่อยเข้าใจไปบุงทีทําไปก็สงสัยอย่างใจคนทําไปก็มาครั้งก็สงสัยนะยก็เขียนจะมายหาหลวงพ่อนะแต่ทสมัยก่อนขวดจดหมายจกน้อรสวรรค์จะไปชีบฟูขวดหลวงพ่อจะบางทีก็อยู่วัดไม่อยู่วัดขวดจะตอบกลับมีอยู่ครับงหนึ่งมันก็เขียนไปก็หลายติดวันขวดหลวงพ่อจะตอบกลับ ให้ความสงสัยที่ง ส, ง ส, สงสัยแต่พอปฏิบัติเรื่อยๆก็เริ่มสงสัยละขเข้าใจละอันนี้ก็มีนะอันนี้คือบางทีกเ็เหมือนเมื่อก่อบวันมิโยมเขียนถามนะเกี่ยวกับเรื่องการฟังการฟังอย่างไรนิรว่าฟังอย่างมีหมาทิ่ฟังอย่างไรทีร่ว่ามีสติที่จริงถ้าฟังอย่าง มีสมาธิก็ก็คือฟังเพื่อจับเนื้อหาฟังเพื่อจับประเด็นเนะนะาะจะฟังธรรมะก็ดีหรือว่าฟังบรรยายหรือทริงไม่ต่พูดคุยกับคนทั่วไปนะบางทีไม่ต้องฟังทุบถ้อยคำนะแต่ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อคืออะไรเนื้อหาคืออะไรหรือบางทีที่จริงการฟัง ที่ดีนะเราต้องฟังแล้วก็รู้สึกถึงอารมณ์ในสิ่งที่เขาต้องการสื่อเลยนะบางทีใช่ไหมเหมือนเราเคยพูดคุยกับคนนะ่ะบางทีเราฟังอาจจะรู้เรื่องว่าเขาต้องการอะไรแต่จริงเนื้อหาทั้งนั้นออไม่ใช่แต่อารมณ์จริงอาจจะประชดก็ได้นะแต <c oughs> ่ไม่ได้แบบไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดแบบนั้นแต่จริงปื๊ดจริงจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้คือ เราจับต่อฟังรู้เนื้อหารู้ความหมายในสิ่งที่ฟังแล้วถ้าเราฟังแล้วก็รู้สึกอารมณ์ของเขาด้วยมันก็จะดีบางทีหลายๆคนนะยเรื่องการพูดกันฟังการสนทนากันเน่ะบางทีผิดเพี้ยนผิดพลาดไปเพราะว่าเราจับประเด็นเขาไม่ถูกไม่ไช่ต้องฟังทุกคํานะแต่ฟังให้จับเนื้อหาจับอารมณ์ความรู้สึกเขาให้ได้ อันนี้อันนี้ถ้าตัวตัวไปแต่ถ้าฟังธรรมก็อยากจะแนะนำนะว่าถ้าใหม่ใหม่ฟังเอาเนื้อหาก่อนตอนเราไปปฏิบัติใหม่ในมะ่ไม่เข้าใจฟังเพื่อจับประเด็นะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าวิธีการทำอย่างไรนะเรียกว่าฟังให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นไปก่อนนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราฟังเยอะและ้วนะ เข้าใจดีวแล้วครนี้มันจะมีการฟังแบบฟังแบบเอาสติเป็นตัวหลักนะไม่ใช่เอาเนื้อหาฟังโดนไหนจะมีสติบางทีฟังไปแล้วอาจจะสรุปไม่ได้เลยว่าเขาพูดอะไรไปแต่ในขณะที่ฟังเราสังเกตตัวเราขณะที่ฟังไปฟังไปเกิดความสงสัยขึ้นในใจ ก็รู้ทางขอกตรงใสฟังไปเห็นตัวเองกระดังคิดตามเขไปด้วยก็รู้ทานสิ่งที่คิดแล้วก็ฟังแบบสบายสบายไปแหละบางเรื่องสะดุดใจมันก็ฟังบางเรื่องไม่สะดุดใจมันก็แค่ผ่นานไปนะไม่ใช่ต้องแบบฟังเพื่อเอาไปสรุปย่อว่าตั้งแต่สมมติท่านมาพูดซึ่งชั่วโมงท่านพูดอะไรบ้างยอ่อ ให้คนอื่นได้เข้าใจอันนั้นอันนั้นเป็นฟังแบบเอาเนื้อหาเนาะแต่ถ้าฟังแบบออกสมาติออกออสติจริงๆเนี่ยไม่ต้องนะฟังเพียงแค่ให้รู้ทันตัวเองก็พอรู้ทันกายรู้ทันใจของเราอาจจะไม่รู้เนื้อหาที่พูดแต่ถ้าเรารู้ตัวเราว่าขนาดเนี้ยที่ฟังนะร่างกายเราเป็นแบบไหนจิตใจเป็นแบบไหนมันจะเห็น เปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่เฉพาะจิตใจมันจะเปลี่ยนไปเรนะื่อยเนยดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็คิดตามเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวใจก็ไหลไปคิดเรื่องอื่นแทกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ถ้าฟังเนี่ยเรียกว่าได้สติแต่ที่จริงถ้าเราเอาการฟังเอาการโฆสณาเนี่ยไปใช้ในชีวิตของเราเัาก็าคล้ายกันอนะ่นะนข้อตัวเราก็อยู่กับสิ่งที่เราเรกําลังเกี่ยวข้องนั่นแหละจะเป็นว่า เราก็ไม่ได้ดื้ตัวเองไปทั้งหมดนะเราดูตัวเองเป็นหลักมีเมื่ม อ, มอเมื่อเดือนที่แล้วนะมาสอนที่นี่เสร็จปมาสอนเสร็จไปเยี่ยมเป็นป่วยคนหนึ่ง <c oughs> เขากำลังจะผ่าตัดเนื้อ ง, งอกที่สมองนะที่โรงพยา บ, บาลก็ไปผลดนานเพราะว่าอ่าเป็นญาติธรรมแล้วก็ตอเนื้อ ง, งอกมันกดทับสมองทําให้ เขาจําเรื่องราวแบบที่ผ่านมาไม่ค่อยได้จำชื่อคนไม่ได้จําเหตุการณ์ที่เมื่อสักครู่เนี้ไม่ได้แต่เหมือนรู้แต่พูดเป็นคำพูดไม่ถูกเขาไปคิดว่าเขาขาดสติอะไรมาเนี่นนะทำไมจะเป็นแบบนี้เขาก็เลยเปิดนัานาธรรมกับอาจารย์จังคนอย่างที่จังโคนที่เป็นนุสิตหลวงพ่อเนะก็ิดนัทธธรรมเป็นไป ก็มีตอนหนึ่งเขาก็พูดว่าเนะี่ยขณะที่สนทนากับอาจารย์บุคพลอาจารย์บุญพลพูดว่าเนะี่ยขณะที่ที่ผมคุยกับคุณอยู่เนี่ย น, นะผมรู้ตัวผมเองมากกว่าเรเรื่องของคุณนะันไม่ไ ม, ไม่พูดแบบนี้ไม่ใช่กับประมาณว่าไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะแต่แบบหมายถึงประมาณว่าอามาก็าอันนี้แหละสําคัญเลยคือ เวลาเราคุยกับคนอื่นนาะบองอีใจเราไปเป็นสนใจเรื่องของเขามากกว่าดูตัวเราเองอยากไปรู้เรื่องของเขารู้เรื่องนั้นแต่อาจารย์คนท่ า, านพระพาทธมาร์ที่เราคุยกันเนะี่ยผมผมดูตัวเองมากกว่าการไปดูเรื่องของคุณอันนี้คืออะไรคือการที่เราไม่ดึมตัวแม้เราคุยกับคนอื่น ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าเราตอบไม่ได้นะจำด้ไหมเราไม่อื่นตัวเนย่าอาจารย์อาจจะนอนอยู่ก็รู้สึกการนอนนะคิดที่จะพูดอะไรก็รู้สึกก่อนก่อนที่จะพูดออกไปอนะไรนั้นหรือฟังเขาแล้วก็วรู้สึกถึงประเด็นที่เขาต้องการพูดรู้สึกถึงอารมณ์ความสงสัยที่เขาคาดกาใจอะไระนะั่นคือการรู้ตัวนะ่ะอ่ เมื่อเรารู้ตัวของเราเองนะล้วก็สามารถเปิดนั้นเขาได้อย่างมีสติแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือจับประเด็นในใจของคนอื่นได้ดีอันนี้คือการรู้ตัวแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวของ เ, เองบางทีมันจะเหมือนเคยไหมบางทีคนคุยโทรศัพท์กันเนาะเขาพูดขึ้นมาเนี่ยเขาพูดแค่นิดหน่อยนะเราจับประเด็นได้ละ ที่เดือนเนี่ยเราคิดแล้จะตอบยังไงไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วเขาจะพูดอะไรอธิบายอะไรตอบไมไ่เราแค่รู้สึกว่าเหมือนเมื่อไหร่ก็จะเลิกพูดเราจะได้พูดสักทีอะนะนใี่ไหมบางทีแล้วก็มีไหมบางทีก็แตกต่อไปแบบเพราะว่าเราอยากจะพูดแล้วไอ้คนะนี้คือถ้าเราลืมตัวนะเราก็จะเผลอแบบนั้นไปแต่บางครั้งถ้าเราลืมอ่ะไม่เป็นไร ก็ตั้งระับใหม่ตัางรับใหม่หมอเองนะอันนี้ที่จริงการฟังนะการฟังก็มีอย่างนี้รวมทั้งการพูดรวมทั้งการสนทนาก็ก็คป้ายๆกันนะที่จริงเราก็เป็นแค่ในในชีวิตประจำวันของเรานะแต่ก็อันนี้ความธรรมะบางทีเราอาจจะจับประเด็นไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องไป ทำ ง, งานเนาะอาจจะต้องังแบบมีสมาธิเพิ่มเข้าไปมากกว่าเพราะว่าบางทีเนื้อางานที่เราทำหรือว่าเจ้านายสาั่งอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องจัดประเด็นให้ได้แต่ก็แต่ก็อย่าขาดสติไปเสียทั้งหมดบางทีเราก็ต้องรู้จักรู้ทันอารมณ์ของเราก็ควบคุมอารมณ์ของเราเองให้ได้ไปด้วยมันเหมือนมันเหมือนน้ำหนักอนะ ที่จริมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบทิ้งอันใดอันหนึงไปทั้งหมดหรอกแต่เหมือนใครเราเรียนหนังสือเนาะเป็นเด็กจะฟังแบบมีสติเนี่ยก็ไม่ได้ทั้งหมดนะเนื้อหาที่เรียนบางทีต้องใช้ความคิดตามใช่ไหมเรียนิณิตเรียนอะไรที่มันแบบยากมันก็ต้องพยายามเข้าใจหรือต้องคิดตามอแต่บางทีถ้ามันมีอารมณ์แทรกเข้ามาในตอนนั้นแหะนั่นคือสติปิดจัอืบอาจารย์พูด นะหน้าเบื่อให้ความหน้าเบื่อมันคืออะไรพอหน้าเบื่อคือติจิตที่เราปรุง น, นะอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นแหละใช่ไห ม, มแต่ตอนหน้าเบื่อนี่คือการที่เราไปให้ค่าพอเรารู้สึกว่าันนี้พูดหน้าเบื่อเราก็เกิดความเบื่อก็อเลยเกิดไม่อยากฟังใช่ไหมอันนี้ตัเนี้ยคือการขาดติดไปแต่ถ้าเรารู้ทันอาจารย์พูดหน้าเบื่อฮะไม่เป็นไร หรือจริงไม่แต่ฟังเทสนะบางคนภรพลุ่มนี้เทศดีก็หลงภาพรุ่มนี้เทศไม่ดีก็หลงนะคําว่าหลงมีสองอย่าเทศพีก็หลงหลงเสียงของท่านหลงเนื้อหาของท่านก็ไปเคลิ้มตามนี่ก็หลงภรพลุ่มนี้เทศไม่ดีเราก็หลงไงหลงไปว่าท่านเทศไม่ดีหลงไปวิจารแต่ถ้าเรามีสติท่านเทศดี เราก็รู้ตั ว, วไม่หลงไปท่านเทศไม่ดีเทศไม่ถูกถ้าเรารู้เราก็รู้แล้วก็วางไปก็ไม่ต้องเอาเป็นอารมณ์อันนี้คือที่จริงถ้าการมีสติไม่เกี่ยวกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกตัวเราเช่นคําพูดนะจะดีไม่ดีนะถ้าเรามีสติก็จะเห็นตัวเองเป็นลบบไม่ใช่ไปเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาไม่ดีกับคนอื่นนะอันนี้คือมันจะมันจะเห็นนะ นะเนี่ยคือพวกนี้นักปฏิบัติบางทีก็เราพวกนี้เป็นตัวศึกษาเนาะเราจะเลือกแต่สิ่งที่เราชอบอาจะเลือกแต่สิ่งที่มันถูกสิ่งที่ดีก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเห็นตัเอ ง, เเองรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรนะอันเนี้ยคือการมีสติแล้วก็ใช้ได้จริงนาะอืมอันนี้คือคำพูดในปากให้เราลองไปสังเกตดูนะอย่าเพิ่งเชื่อ แต่ลองไปสังเกตดูสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นอย่างไรขณะที่เราเกี่ยบข้องถ้าเราทำแบบนี้ได้การสนทนาธรรมการพูดคุยต่งางๆก็จะเป็นการเรียกว่าปุกสติให้มันรู้ตัวขึ้นมาเป็นในตัวด้ยนะบางทีปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เวลาต้องไม่พูดแต่จะต้องไม่ทำงานไม่เกี่ยวข้องกับพูดคน อันนั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งสาหรับการเก็บอารมณ์นยะแต่จริงปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็เนี่ยคือการรู้ท่าทานอารมณ์นะคำว่าเก็บอารมณ์นี่คือคล้ายๆ น, นั้นว่าหาเรื่องอื่นทำน้อยที่สุดไมนถึงว่าจะไดะ้ลองดูที่ไม่ทำอย่างอื่นไม่พูดไม่อ่านะ ไม่ไปทาํากิจอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินะนี่คือคำระคายอารมณ์ที่จริงก็คือว่าคายปิดกั้นอารมณ์ข้างนอกไม่ให้มันเข้ามามากเกินไปปิดช่องทางข้างนอกเข้ามามากเกินไปก็ดูแต่อารมณ์ขนาดที่มันพุดขึ้นมาข้างในเพราะว่าพอไม่มีอย่างอื่นมากระทบนะไอ้ที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะคุยอดีตคุยอดีตมาแต่ละพัดเรื่องละแหละ เรื่องจำไม่ได้นานแล้วก็ยังขุดขึ้นมาเพราะว่ามันคลิปท้ายมันมันขุดคุยออกมาของมันเองนะแต่ถ้าเราดูก็ดูสนุกสนุกไปถึือบงทีก็คิดวางแผนนั่นนี่อันนี้มันก็จะเกิดขึ้นของมันนะอันนี้คือบางทีถ้าเราปฏิบัติต่อเ น, นื่องแบบเก็บอารมณ์เหรือว่าไม่ค่อยพูดคุยมันก็จะมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้เก็บอารมณ์นะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวทําให้เกิดความฟุ้งเราก็ใช้กันดูอารมณ์เราดูอารมณ์บางคนก็ดูที่ตัวจิตใจโดยตรงก็ได้หรือบางคนถนัดดูกายก็สังเกตดูปฏิกยาของร่างกายก็ได้ เ, เช่นมันโกรธไม่พอใจมันจะอึดอัดมันจะอึดอัดอยากจะมันจะให้มันแน่น หรือบางอย่างเราใจร้อนเรารีดน ะ, ะเด่นเป็นใเวลาเรารีบเราก็จะเดินเร็วขึ้นเราก็จะก้าวยาวขึ้นใช่ไหนะใช่ไหมนะ ห, มนะหรือบางทีเราเมินนะก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไปดูนั่นดูนี่เปที่ใดนะนี่คือบางทีเราก็สังเกตเสถียรของร่างกายก็ได้นะอันนี้แต่ถ้าสังเกตไม่ได้ทั้งกายทั้งใจก็ไม่เป็นไร ตั้งใจตั้งตัวรู้สักอย่างหนึ่นะถ้าเดินก็ตั้งใจรู้ทานเดินนหรือว่าว่างๆตั้งใจตั้งสติกับอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือในชีิตจักรวาลของเราเมื่อสติมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเห็นว่าจิตอะไรแทกเข้ามานะแทกเข้ามาแต่เก็จะค่อยเห็นตัวที่มันแทกเข้ามาในชีวิตจักรวาของเราเนาะ อ, อ่ะเดี๋ยวใบนี้เนาะก็ เรเน้นปฏิบัติไปก่อนเนาะเน้นปฏิบัตินะแต่เรานั่งตามจังหวะร่วมกันเัื่อคู่ึ่งก่อนนะใครง่วงนอนทำตัวให้กระจับกรเจงกันหลับกันหลายคนเนี่ยบงทีก่อนสบายนะแต่เยนๆอาหารจิ้กินมทำไมครูบาอาจารย์พวกท่นน า, านปวดสถาน มันจะได้ความเงงงจะได้น้อยลง